ธรรมบรรยายในพรรษาปีพุทธศักราช2546โดยหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณวัดป่าสุกโตอำเภอแก่งค้อจังหวัดชัยภูมิวันที่19กันยายน2546ขอเชิญทุกท่านฟังธรรมครับฟังธรรมกันเนาะ อาศัยการได้ยินได้ฟังให้ผู้ฟังไม่ผู้พู ด, พ ด, พดแล้วก็เอาไปทำเอาไปปฏิบัติ <c oughs> เดินตามรอยพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าของเราก็ทำแบบนี้แหละมาพระองค์ได้ตัดสรูแล้วก็ไปสอนไปบอกคนอื่นคนนึงก็ทำไป ไปบอกกัน ต, ต่อไปจนมาถึงประเทศไทยของเราในการทำสังคยาในขั้งที่สามที่สี่ที่ห้านะสมมติฉนถุกวันนี้แล้ว่าสืบต่อเอาไว้แล้วก็ตัวปฏิบัติก็สำคัญเรามาสร้างมาประกอบ สติอันใดสมาธิอันใดสินอันใดปัญญาอันใดความโลภชอบอันใดแล้วก็ให้เป็นเรื่องของพวกเราจะเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นส่วนของเราบ้างเึื่อจะเป็นาศาสนาทายาทของพระพุทธศาสนา แต่เราอยู่ในทะเบียนสมโนครัวว่าเป็นชาวพุทธนั่นยังไม่ใช่ต้องมีธรรม ท, ที่เป็นผุดสดต้องเป็นธรรมที่ละอกุศลมาแล้วบ้างละความหลงมาได้บ้างละความโลภ ค, ความโกรธความหลงได้บ้าง ให้มันมีเหลี่ยวไห้ตัวเองชนะตัวเองได้บ้างโดยจากการปฏิบัติการปฏิบัติที่เป็นโดยตรงที่สุดคือเจริญสติปัฏฐานสี่หมายเลขหนึ่งเอกะมะโควิสุทธิยาเอากายมาต่อมาจุ่มเอาความรู้สึกตัว มันติดกับความรู้สึกตัวเสียก่อนมันยังจะไปเห็นความหลงไปเห็นความทุกข์ไปเห็นความตกความโลภอะไรต่างๆมากมายถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเป็นกฎที่วัดแล้วจะให้เกิดความถูกต้องได้ยากเป็นผลสําเร็จได้ยากมันกับคณะกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนต่าง ๆ, างๆกฎชีวัะทั้งหลายเรามาตรวจสอบไปแล้วมันไม่เข้าเป้าก็าต้องมาซ่อมกันเพิ่มความขยันเพิ่มความสนใจให้แก่ครูผู้สอนปราะว่ <c oughs> มันเป็นมีกฎชีวัะของเรามาตรฐานของการศึกษา วันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ยกาจะให้หลวงพ่อไปอพยเรื่องทรมาตรฐานศึกษาของโลกที่โรงเรียนมัธยมบ้านท่ามาพอยหวานมันมีกฎชีวัดกันอยู่มาตรฐานของชีวิตเราเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับชีวิตเราอย่าทิ้ทิ้งควงคว้างกันมากเกินไปพวกเรา ขอรับผิดชอบตัวเองก็ทออกับรับผิดชอบคนอื่นเสียงอื่นวัตถุอื่นโดยเฉพาะาการเจริญสติมันจิงจะไปกันได้แล้วก็มีการกระทําจริงๆตั้งใจเจตนามีศรัทธามีความเพียรมีสติ จะมีกิริยาที่ทําประกอบเป็นการกระทําเป็นการกระทาลงไปจริงๆรลู่สึกตัวลู่สึกตัวเรามันก็จะเห็นอะไรต่างๆที่มันวุ่นวี่วุ่นวายมันก็นเรอไปดูอะไรที่มันติดตเอาไว้มันไปเปิดตอวมาก็จะเห็นอะไรต่างๆ บางอย่างก็เรารเก็บเอาไว้ที่ไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลยเราจะมาเปิดการเจริญสตนะิเหมือนกับการปิดของที่เหมือนกับการเปิดของที่จิตการเจริญสติเหมือนกับการสายของที่วัง เหมือนกับมีแสงสว่างส่องไปทางที่มืดให้แก่ชีวิตเราเหมือนกับการบอกการหลงทางให้กับคนผู้ที่หลงคือตัวเราในหล่คือตัวเราในเล่โอ้สึกตัวลูกสึกตัวเข้าไปใ่อะไรที่มันอยู่ตรงไหน ม, มันก็จะค่อยส่องเข้าไปเห็นกาย เห็นกายมันซองเข้าไ ป, ป็นเห็นว่ากายนี่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุก ค, คลตัวตนเราเขาผ่านไปเรื่องของกายค่อยผ่านไปค่อยผ่านไปแต่ก่อนมันเป็นรุ่นเป็นก้อนอัซองเข้าไปเปิดออกไปแล้วก็เห็นกวาเป็นจริงลงไปสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุก ค, คลมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอาการต่าง มันก็จะเห็นต่อไปอีกที่มันโตกันไปมันเราลื้สิ่งของเป็นลือล้อลื้อบ้านขงหลังเราไปเอาแผลมันออก <c oughs> เอาจัว่วเอาหลังคามันออกพอเอาแผลมันออกมันก็เห็นมุมที่ตรงลือไปอตรงตรงหน้าไปทำจิตื่นมันก็ไม่ ต้ไม่ลำดับไปเราเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานเราก็เห็นเวทนาที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจเป็นสุขยังไงเป็นทุกข์ยังไงกับกายกับใจมันแสดงส้นโทุอยู่เพราให้เราดู <c oughs> าไม่ใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่เหตุใ่ผลใช่ความชอบความไม่ชอบมันจะไม่เห็น มันจะไม่เห็นของจิต ก, การปฏิบัติธรรมการพระจาสนาะไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลไม่ใช่ตักตะไม่ใช่อความรู้อะไรที่เราจำจำจำจ ำ, จำกันมาถ้าเป็นความรู้ก็ขอให้เป็นความรู้แจ้งไม่ใช่รูปแบบจํารูปทะลุทะลวงไปเห็นเวทนา ในวันแสดงออกมาแต่ก่อนเราไม่เห็นแจ้งครับพราะว่าเราเพะว่าตัวเราสห็นสุกก็คือตัวเราเป็นทุกข์ก็คือตัวเราเพื่อแค่มันไม่ใช่มันเป็นของธรรมชาติมันเป็นดาการของลูกของกายของใจเมื่อเราเห็นแจ้งมันก็จะอ บอกผ่านไปแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ผู้คนตัวตนเราเขาเห็นแล้วเห็นอีกลู้แล้วลู้อีกลู่สิ่งเดียวหลายข้างหลายหนเห็นสิ่งเดียวหลายข้างหลายหนได้ทำกับสิ่งเดียวหลายข้างหลายหนนั่นแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นทำบ่อยๆลู่บ่อยๆทำให้มากเห็นให้มากพาวิตาพระบุรีกตาเจริญให้มากทำให้มาก เมื่อกเราเห็นกับทึงได้เห็นกันหนึ่งวันแล้วสองวันแล้วสามวันแล้วเป็นห้าวันเป็นปีเป็นหลายปีมันก็จะบอกเป็นอรลยานามิตร ย, ยังไงเป็นสัตตปุโรตยังไงเราฟังอะไรจากท่านโยนิโสใส่ใจยังไง มันจะลึกซ kind of kind of okay. ึ้งเข้าไปอามเห็นอะไรบ่อยๆมีประโยชน์เห็นความผิดก็ไม่ประโยชน์นะเห็นความทุกข์ก็ไม่ประโยชน์เห็นความโกรธความโลภความหลงก็คือประโยชน์ทั้งนั้นแหละการดูอะไรที่มันการเห็นเกิดการเห็นนี่ยแต่เห็นครื่องเดียวมันลืมไป มันหลวงพ่อพาคนไปดูต้นไม้ในป่าพระที่มาอยู่กับหลวงพอ่อบอกแล้วบอกอีกนี่เป็นเห็นพยาลากดำรากมันมาผลแสน้มามนาวถอนพิษกัดกัดต่อยไ น, ไ น, นไหนต้นไหนหลวงพ่อก็ไปบอก นี่นะต้นนี b oh, b ảo, ôn, ì, ôn, ่นะพอกข้างหนึ u, ang, ่งเขาก็บอกว่าผมดูใบต้นนี่กับใบต้นนั้นมันก็เหมือนกันผมดูแล้วมันเหมือนกันทั้งหมดมันดูให้ออกเพราะขอดูข้างเดียวจะไปจะไปให้มันแก่นแจ้งลูกแจ้งได้ยังไงมันก็เห็นเป็นใบไม้เหมือนเหมือนกันใบนี่กับใบนั่นมันก็เหมือนกันหลวงพ่อมดูให้ออกผมันดูออกเกิดความไม่สดใส ก็ต้องเพียนลงตรงนี่หน่อยเออใส่ใจดูเอ อ, เ อ, อมันต้นไปทางนี่นะดูแล้วดูอีกผ่านไปดูอีกผ่านไปที่ใดก็ดูอีกเออนี่ต้นพญ า, าลากดับผ่านไปที่ใดก็เห็นอีกเห็นไปเห็นมามันก็จําได้ล่งแจ้งแล้วเห็นอยู่วัดถุกัตโตวัดถวาสุกัตโตไปเห็นอยู่อีกวัดอย่างอีกที่ไหนอีกก็อันเดียวกันเห mm hmm. มือนลวงพ่อเคยดูต้น ขยะเสือโค่งที่ดอยอินถนนเมื่อไปเห็นอยู่ที่อื่นก็ต้นเดียวกันลดอันเดียวกันที่บอกไปเลยนี่เป็นขยะเสือโค้งการปฏิบัติธรรมก็เป็นเช น, นั้นเห็นเวทนาเห็นกายเห็นบ่อยๆเข้ามันก็รู้รู้แจ้งได้ต่างกันอยู่ดอก กับต้นเหมือนดื่นนะแม้จะมีกิจยาอะไรต่างๆกันเช่นอยู่ในท้องทุ่งมันก็เป็นลูกลักษณะแบบหนึ่งแต่ในดงในป่ามันก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งเหมือนต้นไม้ในป่าในดงมะข่าแต้ในดงในป่ามะข่าแต้กับโคกมันก็ไม่เหมือนกันแต่เราดูมันเป็นอันเดียวกันมันต้นเดียวกันแต่ว่าลักษณะมันต่างกัน เพาตเรามันคมมันลูกแก่การเห็นชีวิตของเราก็เช่นกันอ่ามันปกปิดอะไรเราไม่ได้หรอกเห็นอยู่ที่ไหนเมืันก็เรื่องกายเรื่องเวทนาแ้่มันแหละเกิดกับเราก็เป็นอย่างนี้เกิดกับคนอื่นก็เป็นอย่างนี้เมื่อเขาหลงกายเราก็หลูเมื่อเราหลงเราก็หลภเราก็จะได้ช่วยกันแต่ไม่ใช่เราเหมือนพระเจ้าช่วยพวกเรา กายกล่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาเวทนากั่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกล ต, ตนตนเราเขาหรอกครั้งแรกก็ดูไปเนี่ยต่อไปต่อไปเขาจะเขาจะเป็นไปถูกต้อง น, นั้นจริงจะถูกท้องถ้าไปเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาไม่ถูกต้องมันก็ผ่านไม่ได้สักทีไปชนอยู่นั่นแหละเหมือนกับขึ้นหน้าผาเตียังไงก็ไปไม่รอดแต่ถ้าเราเห็นแจ้งมก็โอ้ มันลาดให้เรามันเอียงให้เราให้เราก้าวขึ้นไปอย่างสะดวกเห็นที่ไรก็สะดวกสะดวกเห็นความสุขก็สะดวกเห็นความทุกข์ก็สะดวกสะดวกในการเห็นมันไม่มีอะไรเห็นกายเห็นเวทนาแล้วก็เห็นไปเป็นหมวดเป็นหมูไปเป็นหมวดเป็นหมู่ไปเห็นจิตคือวันคิด มันมีเลยอยู่พอเรามีพลังแห่งความเห็นก็จะต้องเห็นแน่นอนความคิดไม่ต้องผ่านหน้าผ่านตาเราเราก็จะพบเห็นความคิดไม่ใช่คิดเห็นความคิดคิดเห็นความอะไรต่างๆอะไรที่มันผ่านมานผ่านมาเราก็ทักท่วงเห็นเห็นจิตที่มันคิดเห็นความคิด เกี่ยวข้องกับความคิดมันคืออะไรเนี่ยเราก็เห็นเราก็รู้สึกตัวไปหลักของเราก็มีอยู่แล้วสร้างความรู้สึกตัว <c oughs> สร้างความรู้สึกตัวเราเนีหลักอยู่ด้วยเราก็เห็นไปเรื่อยๆมันเรามีตาลื่นเอาไว้อะไรที่มันผ่านมาบ่อยๆก็เห็นบ่อยๆ หลายทีันผ่านมาก็เห็นเจตนาสร้างจังหวะอาศัยใยนเม็ดสร้างเอาไว้ให้มีพลังเพิ่มขึ้นพลังเพิ่มขึ้นความโลภนีม่มากเราตั้งตรงนี้สร้างตรงนี้ครับเมื่อเราโลภมากก็ไปเห็นอะไรก็เกิดเป็นยานทะลุได้ทะลุเรื่องอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเะป็นความคิดทะลุทะลวงความคิดได้ง่ายตกทันที ถ้าเราไม่มีพลังความรู้จิตตัวก็ติดกันเหมือนขวางดินเหนียวใส่ฝาผนังมันก็ติดพอวันชิดเขามาก็ติดปั๊บไปแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความชอบเป็นความไม่ชอบไหลไปเป็นเรื่องเป็นราวบางทีก็กลายเป็นพกเป็นชาติเป็นการเกิดดับของจิตไปก็แล้วกันแต่ถ้าเราลูกมาก่าเหมือนเท่งก้อนขวดก้อนหิน ใส่ฝาผ้านหนังคอยสมัมผัสพาพฝตกลงสันธีมันเป็ น, น, นขนาพอเห็นมาคิดว่โอ้จากวัยคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำไมวันคิดเท่าไรก็เป็นเช่น น, น, นั้นเป็นเช่นนั้นเห็นม า, ายาสาธัยของความคิดโดยพรความคิดมันรักคิดเนี่ยแว่รักคิดเนี่ยเป็นตัวใหญ่มีอํานาจแต่ก่อนพอเรามีความรู้จึกตัวมันไม่ใหญ่นะ มันลอตัวมันใหญ่กว่ามันก็ตกก็ฉลาดกลายเป็นความฉลาดไปเสร็จแล้วแต่ก่อนฟ้ากลายเป็นความโงไ่ไปพอคิดทีลไรก็ไปกันเป็นพวงไปโง่หลงงมงายเป็นสุข ก, ก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นพิเลตันหาเป็นความยินดีกินล่ายได้ทั้งนั้นแต่มันได้คิดแล้วปล่อไม่ตกหลงเหมือนเพ่งก้ น, น, นเห็นก้อนขวดใส่ฝาผนัง พอมันติดเราก็อยซึมอะไรเข้าไปสีแดงสีดำสีสขกโกเป็นค้าบติดไปเล ย, เยก็เกิดจากความคิดอย่งเราคิดตัวเนี้ยมันเป็นตัวสมุทยัยอ้าวเห็นเข้าไปอ้าวมันเป็นตัวสมุทยัยแล้วนะเป็นเหตุอ้าวเป็นเหตุเข้าไปแล้วโอ้มันเกิดตรงนี้ก็มั่นใจแล้วก็ค่อยสว่างสวัยไปเหมือนส่องไฟให้คนมืด เมันแสงสองแสงสว่างให้ความมืดให้แก่เราโล่ไปหลักของเราก็ีอยู่เราก็โล่ไปตามไปอย่าเพิ่งข้าม่านันดลไปเท่านี้แหละแต่ไปใช่เหตุเธอโอ้ทําไมจึงทาอย่างนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ฉันชอบแบบนั้น่าโล่อย่างนี้มันจะไม่ประยชน์เลยมันต้องเข้าฌานต้องมีวิมุตต้องมี์ลโลด ต้องปฏิบัติตา ม, มโพธิปักเทียมอันนี้มายกมือช่างตัวอ้ามันก็ไปน่นเลยบัดมันก็มีแต่เหตุแต่ผลมีแต่ความชอบความไม่ชอบไปก็ได้ล่มเหลวไปเลยบางคนอแอ่นไปเลยหนักเข้าไปเลยแม้บางทีแล้วก็เกิดอะไรต่างๆเกิดความง่วงเอาต่โอโวุ่นายจะไปยังไง เฟรมง่วงออกไปจะโยกอยู่กับความง่วงง่วงที่ไรก็อ่อนไปเลยออ่อนกายอ่อนจิตใจก็อ่อ น, ออนมันไม่รับรู้อะไรถ้ามันเกิดความง่วงต้องเสริมความรู้เข้าไปมันลูกของเราสุขสิตธิ์ของเรามันไม่รับรู้อะไรเราจะหลับอย่างเดียว บอกของเรเฉยไม่รับรู้ฟังอยู่นั่งต่อหน้าเราอยู่แต่ว่ามันเฉยไม่ยอมรับอคนพวดก็โพดไปก็จะคือของเราอย่างนี้มันดื้อด้านของงงมันด้านดื้อเฉยยังโข่อยด้า น, ห, านหนึ่โอ้เต็มทีแล้วอตัวเราเนี่ยัวเองเดื้อด้านก็เลย น, นิ่งนแล่มาทำความงงเอาหอนอนเป็นตัวดื้อด้านความทุ่งช่าน เ ป, เป็นเด็กที่สุขสนสุกสนอยู่นิ่งไม่เป็นแล้วก็โลกเรามันสุขสนคนหนึ่งมันสุขสนคนหนึ่งมันมด้านบอกไปนอนสอนไม่ฟังแล้วก็ค่อยสอนตัวเองไปมสีสติรู้สึกตัวเปียนขาดออกมาจะไปกุบไปคุมกันเกินไป มันก็เะเลถลายได้ <c oughs> มันคนไปสู้กับความวง่วงมันไม่ได้สู้กับความวง่วงนะมันอยู่คนละมุมกับความรู้สึกตัวอ่ามันอยู่คนละส่วนแต่ถ้าคนทําไม่เป็นก็ไปสู้กับพวามวง่วงหน้ า, ด, าดําำําเปียโปวดเสียนเวีย น, ยนหัวไปก็แม้เวอรไปก็แม้ทําความเพียนบําเพ็ญภาวนาเทใดความวง่วงโคบห่มทันที มันก็เป็นอย่านั้นนะองคมนันพระพุทเจ้าปฏิบัติทำนั่นแหละจะ น, นั่งอยูใต้ต้นโพอา้าวมีเจ้าของต้นโพพาแย่งบันลังโพธินะนเป็นอย่านั้นจริงๆมันก็คือตัวเรานี่แหละบางทีเราอาจจะไม่อะไรเดนะี๋ยวบ้านมีความสะดวกสบายนอนที่นุ่มที่อุ่นห้ <c oughs> นองหลับห้องนอน รู้แล้วพองานอนโตกระโตกกับเสือ่อฝืนเดียวหมือนใบเดียวเ้าหงมบางๆอมองไปตรงไหนก็ค้ายกับเจ้าไม่ปลอดภัยอะไรเลยสติก็ไม่มีมุ่งสติก็ไม่มีฟ้าเดี๋ยวก็งูมาเดี๋ยวตุกแกมาเดี๋ยวมแมลงมามุดตาเอาเอาไปกันเลยล้วบันเต่มันเคยเคยแบบนั้นเราอยากให้มันจะเปรียบเทียบการปฏิบัติ <c oughs> จะเป็นอะไรก็ได้เป็นะลุยๆสักหน่อยนะสู้สักหน่อยเป็นการลุยสักหน่อยวิบากสักหน่อยอะไรที่เราไม่ได้ชู้อะไรที่เราไม่ได้ฝึกหนะักไปมันไม่มีความเสถรแข็งสักทีหรอกเหมือนเขาเป็นพระเอกนั้นเอกก่อนที่เขาจะเป็นพระเอกนา้นเอกเขาต้องสู้นะบางคราวจะต้องเอาชีวิตไปไม่รอดนะเขาจึงเป็นพระเอกได้ ชีวิตเราที่จะเป็นเอกเป็นหนึ่งได้ก็ต้องมีการสู้เนาะเจคามโคตัวนี้ต้องสู้สู้ก็ไม่ใช่สู้กับอะไรดอกสู้กับชีวิตเราในแหละความหลงบ่างความโลภว่างความโศกว่างความทุกข์บ้างความยินดีความยินไล่ความอ่อนแอความเน็สัยใจคออะไรต่างๆนี่เราต้องให้เห็นเราต้องดี แต่จริงๆมันชื่นใจเพราะการสู้นี่แหละมันมีชัชนะตัวเองเนยแต่หากเวทืทีต่างเสียอย่เนี่ยชนะตนในี่ยไที่จุดมันก็ไม่มีอะไรหรอกว่วงกันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปนั่ง่วงนอนม่วงนอนอะไรถ้าจะไม่นอนก็ไม่นอนถ้าจะนอนก็หลับทันทีไม่ถึงสองสามวินาทีหรอกถ้าจะนอนตื่นก็ง่ายหลับก็ง่ายถ้าจะกินก็ง่าย ที่ไหนก็ง่ายง่ายอเราต้องหัดตัวเองทายง่ายง่ายเออไปจะเชียร์ตัวเองเออไม่เป็นไรนะเชียร์ตัวเองเราไปโอ้ยอไม่ีไม่ lay, นะ è, oh, may, ไหวอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ฉันก็ไม่ชอบคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ชอดีฉันชอบคนนั้นฉันไมชอบคนนี้อย่าไปแบบนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร อะไรที่เกิดขึ้นคือมันเป็นรีดๆขว๋วงเออไม่เป็นไรเรากําลังทําความเพียรเกี่ยวกับเพื่อนแซลขึ้นมาเออก็ไม่เป็นไรแต่ไปมองแบบชอบไป ม, มองแบบไม่ชอบ ม, มันลาบลาบลื่นลื่นเลยการปฏิบัติธรรมมันลาบลื่นเล็หน่อยมันเครื่องดีเล็กน้อยนะไม่เคยไป ต, ตะกุกตนะกัดมันจะลด ตะกุกตะกัดกับไปไม่ถึงไหนแต่มันลื่นๆสักหน่อยมันลดคนตุ่มหน่อยลอยวิบากใต้หนยลื่นๆใช่ไหมชีวิตเราก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ที่จะตะกุกตะกัด ก, กับไปได้เราลื่นไๆไปๆไปๆ ไ, ไ, ไรๆอะไรก็ได้ที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรที่มันเกินเกันเราเนี่ยให้เรียบเพียบง่ายๆอ ลูอย่างเดียวลู่ท่าเดียวไม่เป็นไรเท่านั่นเองไปเลือกอเห็นกายเห็นเรทนาเห็นความคิดเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับตายกับใจเราเป็นกุศลอย่างไรเป็นอกุศลอย่างไรเลือกดูสัมผัดดูมันไม่มีคำถามดอกการปฏิบัติมันมีแต่คำตอบแต่เราก็ตอบตัวเองเสีย ด, ด้วยเราก็ถามตัวเองด้วย มันมีคำถามอยู่เออะสมวบอกอืมถามแล้วมันตอบอย like right? like ู่ในตัวแล้วเห็นความม่ง่งอืมเข้าใจมันแล้วเห็นความปรุงสังอเข้าใจมันแล้วเห็นพยาบาทเห็นกามาลาค่ะเห็นความเมตตาใจของเข้าใจมันแล้วเข้าใจเข้าใจรู้แล้วรู้แล้วว่าอย่างนี้เอว่ารู้แล้วรู้แล้วนะมันเป็นอ่า เอกลักษ์กของพันยาโคนพันญะเป็นพระสงฆ์ลูกแรกได้เป็นพระสงฆ์ก่อลู่แล้วลู่แล้วนะลู่แล้วลู่แล้วอย่างเดียวกลายเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นมาเป็นรัตนาสามพราฟังคำสอนของพระเจ้านะเห็น mm hmm. ไ, ได้เลยที่มันเกิดที่มันกำลังก่ลู่แล้วลู่แล้วนะทำไมเราจะไม่ลู่เราต้องช่วยเตือนกันอย่าไปยุ่งจนหน้า เงาหน้าเ ง, า, ง, า, งาอย่าไปยุ่งจนหน้าดำําเกลียดไม่ยุ่งดอกเห็นวอกกายก็ไม่ยุ่งกับกายเห็นเวทนาก็ไม่ยุ่งกับเวทนาเห็นความคิดก็ไม่ยุ่งกับความคิดเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ยุ่งกับอะไรไปตลอดเจ้าไปตลอดผ่านได้ตลอดเมง่อเราเดินทางอย่าเพิ่งคล้องแวะไปอยู่ในสุขไปอยู่ในชุกข์ไปอยู่ในความชอบความไม่ชอบ เอาีถอไปอยู่ในความลู้ไปอยู่ในความสุขพอเอาเถอก็จะกลายเป็นกินทะยานไปเป็นวินปัสโนไปรู้นอกตัวไปเลยอรู้ไยอนุอันนี้ก็รู้ไปมันจะเป็นกินทะยานกลายเป็นวิปัสโนลืมการเจริญสติไปตอนนี้เราต้องเจริญสติไปสอนประกอบความเพียรป่าลบความเพียรไปก่อนแม้นมันไม่รู้อะไรขอขอให้มีความรู้สึกตัวก็ถือว่าพอแล้ว อแต่ไปเอาอะไรที่มันไปเห็นอะไรคนนั่นเห็นอันโน่นคนนี้เห็นอย่านี้ไม่ต้องหรอกเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวอยู่นี่แหละถูกต้องแล้วนี่สิ่งที่ทําให้เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เราจะเห็นตรงนี้เราจะดูตรงนี้ให้มันเกิดพลังขึ้นมาเกิดมหาลูกขึ้นมาเมอมันเกิดมหาลูกขึ้นมามันก็ละความชั่วมันทาความดีอยู่ในตัวเกิดแล้วอเป็น การรักษากินอยู่ในตัวเป็นการเจริญสมวาวะที่อยู่ในตัวเป็นการเจริญปัญญาอยู่ในตัวอันนียการปฏิบัติธรรมเนี่ย ม, ม, มันสมบูรณ์เลยแหละถ้าเราเจริญสติไปกับกายอ่าอย่าไปออกไปทางนอกตั้งหลักตรงเนี้ยไว้เกาะตรงเนี้เกาะ น, น, นิดๆตรงเนี้เอาไว้เหมือนเราปลูกตน้นไม้แต่มันรากมันอยู่ในดินนาน เกาะไว้ลากต้นไม้ฝังในดินเกะาะในดินผูกข้าวผูกพิษฝังไว้ในดินให้มันตั้งอยู่ได้นานนานการให้มันอยู่ที่เดียวนานๆมันก็มันก็สร้างสรรค์มันของมันผูกข้าวก็ออกลากขาวออกลากออกยอดออกใบผิดอกออกใบต่อ ย, ยอดจริงก้านสาขา <c oughs> โต ว, วันโตคืนเป็นไวเกออกออกผลไป่ทุ่งนองนั้นเราตัางต้งไม่ติดแล้วขาดไปแล้วขาดไปขาดไปก็ก็ง่อยแล้วบัดแกดไปเลยไม่เจริญไม่ เ, มเติบโตเหมือนชาวไร่อ้อยนั่นอันบอกพอปไปยังมันแรงจึงเดินเกียจเนี่อ้อยเรื่องว่ายาไปเลยมันบอกพอ ท, ทีทีใช่ไหมมันแกนไปแล้วพอมันแรงจึงเดินเกียเดือนแปดเี่ย โจนั้นอ้อยกลังปลูกใหม่กลำลังต้องการถึงแวดล้อมที่ดีปลายมาเป็นความแห้งแล้งแต่พอมันแห้งแล้งในช่วงนั้นก็อ้อยก็ขอดีอไม่ยืดเลยไปคงไม่ยาวอ้อยี่นีๆนะมองดูของใครก็ต่าๆเตีต้ยๆนะชีวิตเราก็มันการนะมันจะแ ก, กนไปนะแกนมันกดดานนะพยายามตั้งต้นให้มันดีๆสร้างความรู้มันดีๆ ปรับกายปรับใจดีๆปรับฉากดีๆตั้งฉากดีๆเริ่มต้นให้ดีๆอ่ามันมีความถูกต้องอยู่ของฉากไหนมันไม่ดีก็เอามาเหมือนตาจะเราดูดูอะไรนะ่ะมันดูไปดูไปวันท่าก็ปรับสายปรับสายตาปรับเปลนตาบางทีเราต้องบาอย่างหลวงพ่อนะ่ะตามันไม่ดีมัวนู่นดูหนังสือไปมันแสบตา <c oughs> เ <c oughs> มื่อมันแสบตาก็พักเอามือนิ้มือมันนวดตาสลับตามันพักผ่อน <c oughs> แล้วก็ค่อยเ ด, ดินดูเดินยู่ข้างที่สองก็ยังแสบอยู่ก็หลับต า, วตาไว้ก่อนใจดีๆอตั้งไหม่ให้มันปรับเลนใหม่เอา้าดูอีกมันแสบอีกก็ลหลับไปก่อนนวดไว้บางทีน้าตามันไหลเอาผ้าสาดเช็ดเช็ดเม็ ด, ดหน่อยโลกตาเอาดูไม่เอ ดูไปดูมามันก็ดูได้มันปรับของมันอยู่ในตัวให้โอกาสมันบ้างสายตาเราเนี่ยเราจะดูอะไรไปจะไปก็เลยพุ่งไปเลยพอดูไปได้หรอฉันดูไปได้ทิ้งหนังสือไปเลยมันก็ไม่ได้สะเสียต้องปรับต้องปรับต้องปรับมันก็มีความเตรียมของมันอยู่การทําอะไรก็เหมือนกันนะมันมันก็ต้องเลย ความพร้อมพอสมขวลเตรียมเนื้อเตรียมตัวการปฏิบัติธรรมปรับใหม่อยู่เรื่อยอรียบบทเนี่ยถ้าเราทําเนี่ยให้มันใหม่ๆอเรื่อยนะถ้ามันเก่าของกบข่าเครื่องหลงเครื่องรูด์อยไปอยู่แบบนั่นอย่าไปทําแบบนั่นอย่าไปเป็นคนคนเครื่องหลงเครื่องรูอถ้าหลงก็มันเห็นหลงจริงๆเดีวเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้จริงๆทันควรจริงๆอะไรนะ <c oughs> มันที่หลงแล้วก็ให้ฟรีอยู่กับความหลงนั้นเฮ้ยอยู่กับความหลงมันไม่ใช่นอกปฏิบัติพอมันหลงก็เกิดการกระตือรือร้นสร้างความรู้ขึ้นมามันมีอยู่มันทำได้อยู่แล้วเราจะไม่ทำก็ขาดตรงนี้เสร็จแล้วหลงส่ใดความหลงก็เอาชีวิตเราไปฟรีเสียเวลา <c oughs> <c oughs> มันก็บขโมยมันลับ ของสลากสลาหอใจแต่ก่อนเราก็ซื้อเครื่องขยายมาไว้เอามาวางทุนโท่าไว้ตรงนี้มันก็หายไปเออมันจะอาจจะหลงหรือเปล่านีา่หยิบหิบไปมันหลงหรือเปล่าบางทีเขาอาจจคิดได้แต่ว่าเอาของวัดของว่าเราก็ไม่มีอะไรเอามาเครื่องที่สองเอามาตั้งไล้วเอาไปอยิบกันไปอ่ามันไม่ดีจะได้ปะ่ะ แล้ก็เลยไปทำอคอกใส่เอาเหล็กมาทำอคอกใส่มันก็อยู่ได้แบบนี้ก็ป้องกันว่างไม่ป้องกันไปเลยมันก็มันก็จิบหายหเราบางกันนะเราต้องป้องกันความหลงนี่ก็มันกันเราจะป้องกันความหลงอร้จะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ากเาจะเปลี่ยนความผิดเป็นความถูก รูจะเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์มันจึะยังเหลือมันจึงจะมีอะไรเหลือชีวิตเราแต่ที่มันไม่มีอะไรเหลือหมดไปเลยโกรธก็โกรธไปเลยหลงก็หลงไปเลยทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยโกรธโทกหลงุกทุกข์ก็เลยไปทางโน้นเลยข้องที่สุดเลยง่ายที่จะหลงง่ายที่จะโกรธกลายเป็จนจะลิดทิสใสไปถ้าเราไม่หัดมันก็ไปทำนองนั้นนะ มันเป็นกามะขุนวัตถุกามะขุณตาด้วยหูด้วยสมองรีดกายใจโลกลด ส, สิ่งเสียงนี่ยมันเป็นมันเป็นทางของเขาที่ไปทางโน้นไหลไปโน่นมันนา้าไหลจากที่สงูงลงสู่ที่ต่ำแล้วก็ไหลไปนั่นเต้นตีเต็นเบี้ยน <c oughs> ซาะลงจนเป็นห้วยหนองของมือแล้วก็ขวงกันอะไรบ้าง การรู้จักขวงกันหไปกระสอบทรายของเราคือความรู้สึกตัวยกมือขึ้นรู้สึกตัวขวงไว้แล้วยกมือขึ้นรู้สึกตัวขวงไว้แล้วเอามื่อมาใส่หน้าท้องหนึรู้สึกตัวขวงไว้แล้ ว, อ, ว, ว, ลวอ่ามันเคยไหลมันจะไม่ไหลมันไปอยู่แล้วอยู่แล้ ว, อ ย, ลวอยู่แล้วอย่างนี้นะ มันก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตขึ้นมามีศีลมีสมาธิมีปัญญามันสมบูรณ์แบบนี้นะสมบูรณ์โดยมรด้วยผลแบบนี้สมบูรณ์โดยความเฉลียวฉลาดแบบนี้จึงจะเป็นชีวิตชีวิตจึงจะไม่ตายชีวิตจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่หวงตรงนี้ผมบอกทางเดียวเกิแก่เจ็บตายเกิแก่เจ็บตายตายอยู่เรื่อยๆเกิดอยู่เรื่อยๆตายอยู่เรื่อยๆตายจากความหลง าตายจากความโลภตายจากความสุขตายจากสิ่งตายจากสมาธิตายจากปัญญาตักไม่ได้สักหน่อยเลยไปทิศไปแล้วไปแล้วรักแล้วชังแล้วยินดีแล้วกินไล่แล้วสุขแล้วทุกข์แล้วไปอยู่ทางนั้นนะแต่ว่าไหลไปสันตติเกิดขึ้นทันทะเลไหลไปอันนี้เรามามาขวงไว้มาทึ้งก็สอบใายลงส แต่มันเป็นเหวก็มันจะตื้นขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งได้ตั้งสามพันกระสอบนะโยนลงไปโยนลงไปรูดทุกวินาทีรูดทุกววนาทีพอดีพอดีมันจะเต็มขึ้นมาถ้าเป็นกลับนะกลับเึ็งเม่สระพระจุมเอนลึกลอยโยดกวางลอยโยดยาวลอยโยดมีเทวดาเอาเม็ดมังา มาที่ยงลงตีละเม็ดตีละเม็ดจนสะนั่นเต็มไปด้วยเม็ดงานอันเรียกว่ากลับหนึ่งโอ้ถ้าเป็นกลับที่อยู่กับเรามันหลงไปเท่าไรเราเที่งลงไปเที่ยงลงไปที่งลงไ ป, งงไปถมเท่าไรไปรู้จากอิม่มทางตาทางหูโกรธเท่าไหรก็ยังโกรธอยู่ทุกข์เท่าไหรก็ยังทุกข์อยู่หลงเท่าไรก็ยังถกหลงอยู่รักเท่าไหรก็รักอยู่ ยังยินดียินไล่ยอยู่มันเป็นเหิวมันเป็นเหิวมันลึกชีวิตขอเราก็อยู่ได้ลึกอยู่นั่นยไม่เต็มไม่เรียบเหมือนหน้ากองใสศาสนาพระศิลาเศ็ไตแผ่นดินมันจะเรียบเหมือนหน้ากองใสเพราะเราจึงลู่เป็นลู่ลงไปลู่ลงไปลู่ลงไปเหมือนเทวดาทิ้งเม็ดงาลงไปในสะัะว์ โล่ลงไปโล่ลงไปหมดเต็มขึ้นมาบุญนี่คือเต็มมันเต็มไปด้วยความรู้สักตัวเนี่ยนะการปฏิบัติทรทุกคนสามารถทำได้โยนใครก็ไปทางนั่นเหมือนกันไม่แต่พระพุทธเจ้กาก็อาจจะเป็นมากกว่าเรานะาเพราะสิ่แวล้องของพระองค์ดีมากประสาทตั้งสามระดูโอเค เขาสนมในเป็นสี่พันห้าพันสี่ร้อยห้าร้อยมีแต่สติไม่มีบุรุษเชื่อปนอยู่ในเสียงเวรล้อมแบบนั้นขนาดนั่นทรงยังลุยออกมาได้พวกเราเนี่ยถ้าจะเป็นการปฏิบัติก็สะดวกมากกว่าพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพ โยง ก, ก็กระดดฝนก็เปียกลมพัดก็ลลหลาลนหนาวเราเนี่ยังมีสามีสติมีข้าหอมมีนิติเพื่อนเอาองอยู่ลำพังองค์เดียวมีเด็กชายสวัสดิ์สิบปีมาเลี้ยงควายอยู่แถวนั้นนามสุชาดาอายุสิบห้าปีสิบกปีเอาอาหารมาส่งมาให้ อาจจะว่าเวกกว่าพวกเราเมือม่อฮองมาเปรียบเทียบกับประชาทสามดูที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์โอ้มยมาเปรียบเทียบกันไม่ได้แหวนร้องไปพาดพาดบริวารทาหารหานทั้งหลายปกครองดูแลไม่ให้ลาบากอะไรเลยไปไหนไม่ต้องเหยียบกินสักเม็ดเลยในราชรถประดับตกแต่งเพชรเม็ดสินดาวนะพระองค์ยังผ่านไปได้กานพวกเรา เ, เอาอย่างบ้างเลย ต้องให้มีความมั่นใจมีความมั่นใจในการปฏิบัติมีความมั่นใจในตัวเองบ้างาให้มีพลังใช่ไหมหลวงพ่อก็เคยคิดแบบนี้นะมีความมั่นใจแม้ยังทําไม่ได้ก็ยังมั่นใจเอยอูถามหลวงปู่เทียนนะหลวงปู่เทียนนะหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อปฏิบัติทำเมื่อหลวงพ่ออายุเท่าไหร ป, ปีที่หกปีหลวงพ่อเทียนต่อ เราอายุสามสิบปนะีปฏิบัติใหม่ๆอายุสามสิบปีเนี่ยเราก็ต้องแข็งแรงกตัวเราข้อเทียนก็มั่นใจตัวเองนะแล้วเราก็ไม่กลัวงานกลัวการด้วยไม่กลัวคาว่างานจนะยากขนาดไหนเราก็เคยสู้มายกโครงสร้างจังหวะนี่มันเป็นงานไหมแค่นี้เองนั่งเขาแค่นี้เองแต่ก่อนเราหลังสโซฟาหน้าชุดินเลยยังทําได้นะ่ะ อันนี้ยกมือสร้างจั่หวะนี่คตินี่โอ้มันก็ก็ตื่หรือล่นเลยทีเดียวงานพระพุทธเจ้านะแต่ก่อนเราทํางานกิเลสหมดเลี้ยวหมดแรงเพราะกิเลสหมดเลี้ยวหมดแรงเพราะความโลภความโกรธความหลงเงืไหลเท่าไรเก็ป่วยเพราะเรื่องนั้นเท่าไรวันนี้เรามาสร้างอันนี้ขึ้นมาให้ชีวิตตัวเองเนี่ยกอบขึ้นมาทำขึ้นมาเนี่ย นี่มันจะเป็นอย่างไรให้มีความมั่นใจตัวเองนะทําอะไรนะจะทําอะไรเป็นเสนาวาจิกาคอยตามเพื่อนเขาเหนือกันี้กับเขาเขาไปต่อไปกับเขาเราไม่ต้องคิดอะไในโลกนี้เราจะอยู่คนเดียวถ้ามันมีพลังกันนั้นไม่มีใครสักคนเราจะอยู่คนเดียวในโลกเนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยมีพลังพลัง แห่งการศรัทธาไม่จดมันก็มีแบบอย่างอยู่แล้วมีพระพุทธเจ้ามีเหล่าพระษาพกมีคำสอนเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นขังว่าไตรปิฎกเป็นขันงมีพระสูตรที่พระวิธรรมไม่พระเวินัยสมบูรณ์แบบ ่เราไม่ใช่เพิ่ัดไม่ใช่สุ่มอะไรทัดเจนทีเดียวกายเราก็ไม่ลบมือสร้างจังหวาเคลื่อนไหวไปมา น, นี่เราจะไปชะเรือชะง่าอยู่ทำไมพอที่จะก้มหน้าก้มตาด้วยความสดชื่นรับเอาไปอย่างขออกขอใจเป็นงานพุท ธ, ธเป็นงาน พศชาสนาเป็นงานของพระโพธิสัตก็ดังเป็นงานของพระอริยเจ้าเป็นงานของธรรมะส่งไหวสงไห้ทรงไหวรู้สึกตัไวไห้รู้สึกตัวไว ว, ไวเนี่ยคือธรรมะธรรมะคือส่งไหวตั้งไนวแต่มันดีไหมความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องมีคำถามไม่ต้องมีคำตอบถ้าใครได้รู้สึกตัว พระอาจารย์เก็บเทียบว่าผู้ใดมีความรู้สึกตัวเพราะนั่นเหมือนอยู่ในถิ่นของวีดามารดามันอุ่นใจให้ให้อยู่ลองดูว่าอยู่ไปอยู่กับความรู้สึกตัวเมื่อหลงมันจะไม่เอาดอกมันไม่ชอบความรู้สึกตัวมันชอบผัวไปเห็นอะไรก็เฉเลยไปเลยนะมันไม่อารมณ์มันไม่จูดของมันไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมไปเห็นโลกทำนามทำไปเห็นอะไรต่างๆ มันจะบอกเราไปนะไม่ใช่ไปเห็นเราพระเจ้าเดินมาไม่ใช่ไปเห็นอะไรวางเทวีทอาจจะเกิดนิมิตก็ไม่เป็นไรเรารู้จักตัวเราอยู่สต่ ว, ว่าเพาเกิดนิมิแต่น้อยพอเราลืนตาเราไม่เพ้อฝั น, นเราไม่เราไม่ได้วาดมโนภาพอะไรไม่ปล่อยเชิงกว้างอะไรเราชัดเจนอยู่แล้วรู้จักตัวอยู่แล้วเนี่ยเห็นงานเห็นการที่เราทําอยู่นี้ นะแล้าก็มีควาจารย์เพื่อนหลงพอก็ไม่ค่อยได้อยู่แต่ว่ามีอาจารงศิลป์ท่านตุ่มท่านโนดทุกคก่อนอาจารย์เจอคิดอาจรย์เจอทัดก็เป็นเพื่อนเราคงไม่พากันหลงทิศหลงทางนะอแม้แต่แเราคนเดียวก็ยังทำได้ไม่กลัวอะไรอานะารวัลุทำแนวอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในศาลาหอไต่อาจจะเดินจงกลม หลวงพ่อประโยชน์กับหลวงพ่อเทียนเน่ะเบอร์ห้ารอยสิบเนี่ยหลวงพ่อเทียนส่งไปอยู่บ้านท่านบ้านหนองบ้านบุหงก็อยู่หลังเขาคนเดียวนะเราไปโยมบ้านหลวงพ่อเทียน เ, นยเขาได้หรือว่าบรรลุธรรมจะ้ขะขนาดที่เจ็บฝนะ้บาย่ะเอามือเจ็บฝ้ายเขาจะทาําผ้าถุงไร่ ชาวบ้านบุหงาเขาไม่อาชีพตูกป้ายเขเก็บไ้าลู่เช็บเขาเก็บป้ายูเขารู้จากคาตอนนั้นบางคนเขาบอกว่าขณะที่เลี้ยงหมูอาหารให้หมูหมูก็ล้คนเที่ยวอาหารให้หมูมันเป็นลูกนะเนี่ยหมูก็เป็นลูกนะเราอาหารให้หมูเราก็ทําความดีนะเติดความรู้แจ้งขณะที่เลี้ยงหมูก็มี้โยมผู้หญิงคนหนึ่งอายุไม่มาก ชมผู้หญิงคนหนึ่งอายุไม่มากเจ็บ้าย อ, อยู่ในไล่ฝ้ายนั่นน่ะการปฏิบัติธรรมมันเป็นสากลการเจริญติตเนี่ยพวกเราเนี่ยมันมีแต่มีงานมีการกันทั้งนั้นเลยวมรู้สึกตัวก็ไปทำ ง, งานกับการเพิ่มเข้าไปเติมเข้าไปอาจจะไม่นมิสัยมีปัจจัยไปเอง อ, อาจจะไม่ได้อยู่อริบทที่ยกมือช่างจังหวะเหมือนพระละหันสมัยสอน เห็นใบไม้ร่วงลงมาก็ได้บรรลุธรรมอ่าบางทีโกนผมยังไม่ได้บวดเลยเห็นผมตกลงมาก็ได้บรรลุธรรมอ่าบางทีเห็นโสเพณีร้องไห้เจ็บปวดก็เป็นโลกได้ยินเสียงร้องของโสเพณีเป็นโลกเจ็บปวดร้องอ๋ออูอ้ได้บรรลุธรรมเลยครับ <c oughs> <c oughs> บางองค์ก็เป็นนั่งอยู่เห็นน้ำไหลมามีท่อนจุงไหลมาต า, ามน้ำบางท่อนก็ติดฝั่งซ้ายบางท่อนก็ติดฝั่งขวาบางท่อนก็ไห i, ลร่องไปร่องไปไม่ติดฝั่งได้ธนูทำแล้วอ๋อัม่ไ้อาจจะไม่ถ้าเรามีความพร้อมมีความรู้สึกตัวนะมันเหมาะทุกโอกาสขอให้เราในความรู้สึกตัว การปฏิบัติธรรหลักของเราคือความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้หายากแอะไะไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้นะตอนนี้หลวงพ่อก็จะไปลงแขกทํางานที่ท่ามาไปหวัดชาวว่านเมื่อวา น, ว, านว่าจะมาร่วมทําวัดก็จะมาพบหลวงพอ่อเจรัญก็ไม่ได้มาเรเลยมั่นใจว่าหลวงพอ่อกับหลวงพอ่อเจริญเป็นอันเดียวกัน แต่อยู่ยังไงก็ได้สถานะแบบไหนก็ได้ข้ามาเขาก็ไตกองไปชมประชมเขาก็นิมนหลวงพ่อให้อยู่ก เ, เลยประชุมกันแล้วจึงค่อยมาแล้วก็มีนาคมาบวชเอออะไรมาปป ป, ปมาหลวงพ่อไปโร่ยตัวมาบวชเขาบอกว่าเขาเป็ น, ป น, ปนลูกชายของเขา